อนัตตลกนัตสูตรที่เราเพิ่งสาธยายมาสักครู่นะเป็นพระสูตรที่สำคัญมอมนในแง่ประวัติศาสตร์ก็เป็นพระสูตรแรกนะที่พระองค์ได้อธิบายความจริงที่เรียกว่าอนัตตลักษณะหรือว่าภาวาความเป็นอนัตตาของสัรพสิ่งโดยเฉพาะขันห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 แทบจะไม่ค่อยได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเรื่องเกี่ยวกับอนัตตาเลยขนาดอนาตตปิทิกาเศรษฐีเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลาหลาย10ปีนะไม่น้อยไม่น้อยกว่า30ปีเนี่ยมาได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอนัตตาจริงๆก็ตอนที่ใกล้ตายป่วยหนักแล้วพุทธเจ้าก็มอบหมายให้พระสรัลยบุตรนี้ไป โปรดท่านอนาถปิฎิกะก็โปรดหลายครั้งนะพระอนุลก็ไปด้วยแต่ว่าที่สำคัญคือตอนที่พระสารลบุตรเนี่ยได้แสดงธรรมให้อนาถปิฎิกะเศรษฐีฟังเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอนัตตาอนาถปิฎิกะนี่เรียกว่ า, าซาบซึ้งมากแล้วก็แปลกใจว่า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 แสดงธรรมเหล่านี้ให้กับค า, ารวาตไม่กี่คนไม่ค่อยบ่อยเนย่ก็คงเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปพระองค์ก็สอนในเรื่องของทานศีลภาวนาหรือว่าเรื่องความเป็นอนิจจังทุกขังนะแต่พอถึงเรื่องอนัตตาแล้วนี่พระองค์ก็จะเลือกสอน นะเช่นเดียวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์ก็ไม่ได้แสดงแก่คนทั่วไปแต่มาถึงยุค ข, ของเราแล้วนี่ก็ถือว่าพวกเราโชคดีนะที่จะมีโอกาสฟังทำของพระพุทเจ้าในเรื่องยากๆแบบนี้แม้ว่าอาจจะไม่เข้าใจบ้างแต่อย่างน้อยก็ได้อ่านได้ฟัง มันก็เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติและการพิจารณาความจริงของชีวิตเพราะาเรื่องอนัตตก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีนี่เป็นเป็นหัวใจคําสอนของพระพุทธเจ้าหรว่าเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาก็ว่าได้เพราะศาสนาอื่นสอนกันหลายอย่างนะแต่ว่าที่ไม่ได้สอนเลยหรือไม่ได้พูดเลยคือเรื่องอนัตตา รวมทั้งเรื่องปฏิจจสมุปบาทด้วยอันนี้เป็นลักษณะเด่นนะเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเลยทีเดียวที่ทำให้แตกต่างจากศาสนาอื่นทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะศาสนาทั้งหลายล้วนแล้วแต่สอนให้เชื่อมีอัตตามีอัตตาที่เชยงแท้ยั่งยืนคงทน เช่นพระเจ้าเนี่ยพระเจ้านี่ก็เป็นตัวแทนของอัตตาที่ผู้คนนะมีความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ใช่พระเจ้าก็เป็นอัตตมันหรือปรมัตมันอย่างลัทธิพรามหมณ์ฮินดูต้องมีความเชื่อแบบนี้เนื่องจากอัตตาคําสอนเรื่องอนัตตนี่เป็นเรื่องยาก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 คนไทยชาวผู้จำนวนมากก็เชื่อว่านิพพานเป็นอัตตาถ้าจากพุทธาท่านก็เปรียบเทียบไปดีนะว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตามันขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่ภูมิธรรมของบุคคลท่านยกตัวอย่างเช่นลูกเนี่ยน ะ, ะผู้หญิงคนหนึ่งนะถ้าเจอลูกลูกก็เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่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 ที่มีภูมิทรามระดับหนึ่งแต่มันเป็นอนัตตาสำหรับคนที่มีภูมิาทราที่สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเทียงว่านิพพานเป็นอัตาหรืออนาัตตานี่มันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างนะัสุดแท้แต่มุมมองของผู้พูดนั้นว่าเข้าใจธรรมะระดับไหนถ้าเข้าใจระดับพื้นๆก็มองว่านิพพานเป็นอัตา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 ไอสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยมันย่อมไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันดับมันก็คงคงตัวมันก็จะย่อมเป็นอมตะนิรันดร์การเลยก็ว่าได้ไตลักษ์เนี่ยอ น, นิจจังทุกขออน า, านัตตาเนี่ถ้าเรียกง่ายๆนะอ น, นิจจังคือไม่คงที่ทุกขังคือไม่คงตัวอนัตตาคือไม่ใช่ตัวนะอันนี้ฟังจะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะเป็นภาษาไทยล้วนๆ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 ไม่มีตัวตนของมันเองต้องพึ่งพาสิ่งอื่นต้องอาศัยสิ่งอื่นมาเป็นปัจจัยให้เกิดมีสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ก็ต้องอาศัยน้ําต้องาอาศัยอากาศต้องอาศัยออกซิเจนต้องอาศัยแร่ธาตุต่างๆต้นไม้ถึงจะเกิดขึ้นได้การที่ต้นไม้ต้องพึ่งพาเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยสแสดงว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่มีตัวตนของมันเอง หรือการอธิบายว่าร่างมนุษย์เราเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุสหรือประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆการที่ร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยอวัยวะต่างๆเนี่ยถ้าเอาอวัยวะต่างๆแต่และอย่างแต่และอย่างออกไปเนี่อร่างกายก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยไม่มีไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนของมันเอง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 ฟันเฟืองบางตัวหรือว่าชิ้นส่วนบางตัวมันเสียไปหายไปหมดสภาพมันก็ตายไอ้คาว่าตายนี่ก็หมายถึงทุกครั้งนั่นแหละนะเพราะเป็นอนัตตาถึงถึงเกิดทุกข์และเพราะมีทุกข์หรือเพราะเป็นทุกข์จึงไม่เที่ยงคือแปรปวนนะเช่นร่างกายเรานะมันก็ มีเซลล์ต่างๆตายทุกวินาทีมีคนนับเขาคาดการณ์แล้วว่ามีเซลล์ตายในร่างกายเราเนี่ยวันหนึ่งประมาณ5ห้าถึงแสนล้านเซลล์แต่ว่าที่ยังคงสภาพอยู่ได้เพราะมันมีการสร้างเซลล์เพิ่มแต่การที่มันตายอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยก็ทําให้ผิวหนังร่างกายเริ่มเหี่ยวยน่น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 ถ้าเราเห็นความเชื่อมโยงนะจะเข้าใจเรื่องตายรักษณ์ได้ง่ายขึ้นทําความเข้าใจดีนะว่าไม่มีอะไรที่ที่มีตัวตนนะหรือว่าเป็นตัวตนได้เลยเพราะว่ามาล้วนแล้วแต่เกิดจากสิ่งต่างๆมาประกอบกันแล้วเราก็สมมุติเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นร่างกายเป็นตัวเราเป็นรถเป็นบ้าน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 ไม่ว่าจับเท่าไหร่ก็เนี่ยจะก็ไม่ได้จับตัวทั้งสิ้นนะเพราะว่าจับหัวบ้างจับหลังบ้างจับลายบ้า ง, จ, างจับมือบ้างไม่สามารถจับตัวได้เลยให้ <S <S <arada businesses. S 1> เราลองชี้มาที่ตัวเราเองก็ได้ว่าตรงไหนที่เรียกว่าเป็นตัวเรานะถ้าชี้มาตรงนี้นี่ก็หัวนะถ้าชี้ตรงนี้นี่ก็ลหลไม่ใช่ตัวเรานะ ล, ลองดูนะชี้ตรงไหนนี่ไม่ใช่ตัวเราทั้งนั้นนะถ้าไม่หัวก็เป็นมือ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 ไอ้ที่ชี้เนะี่ยคือประตูนะหรือว่าเสาและดูดีๆเนี่ยไอ้ที่ชี้นี่ไม่ใช่เสานะมันเป็นไม้คือพูดง่ายเนี่ยชี้ไปเนี่ยหาไปหาไปเนี่ยไม่เจอนะไอ้สิ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านนะไม่เจอตัวตนที่เรียกว่าบ้านเพราะอะไรเพราะว่าบ้านหรือหมู่บ้านมันคือสมมุติที่ใช้เรียบ นั่นคำว่าสมมุติเนี่ยที่เราได้ยินได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันจะถ้าเราเข้าใจชัดมันจะทาให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องอนัตตาเพราะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอัตตาอัตตาเนี่ยเช่นแก้วบ้านเรือนร่างกายจริงมันคือสมมุติคือคำที่ใช้เรียกไอตัวบ้านไม่มีตัวเราไม่มีมันมีแต่สมมุติที่ใช้เรียก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 เราคิดคำขึ้นมาเพื่อใช้เรียกแต่สุดท้ายมันหลอกเราผู้เจ้าจึงตัดว่าชื่อเนี่ยครอบงามสิ่งทั้งปวงนะชื่อเนี่ยครอบงมสิ่งทั้งปวงชื่อคือสมมติเราลองดูนะไอ้สมมติเนี่ยเช่นกำปั้นเนี่ยเวลากำมือขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกนี่กาปั้นแต่ตัวตนกำปั้นมีหรือเปล่านะพอแบมือออกมาเนี่ยกำปั้นหายไปไหมกำปั้นยังอยู่หรือว่ากำปั้นหายไปแล้ว พอรวบนิ้วเข้าหากันกัมปั้นก็เกิดขึ้นแต่พอคลายมือออกแบบมือออกกัมปั้นก็หายไปตัวตวนกัมปั้นนี่ไม่มีนะ ม, นมันมีแต่คำเรียกว่ากัมปั้นเพื่อใช้หรือกาหมัดเพื่อใช้เรียกอาการของนิ้วที่รวบเข้าหากันว่านี่แหละคือกัมปั้นหรือกาหมัดตัวตวนของกัมปั้นนี่ไม่มีมันมีแต่สมมุติที่ใช้เรียก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 กินขนมของเรามามากัดเสื้อผ้าของเราและความรู้สึกว่าเป็นของเราทาให้เราทุกเราเสียใจเสียใจที่สูญหายไปเสียใจและโกรธที่มันมาทาให้เราทำให้ข้าวของเสียหายความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยถึงที่สุดแล้วเกิดจากความยึด ต, ติดว่าเป็นเราเป็นของเราตัวอย่างง่ายๆคือว่าใครตายก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ได้ คนตกเครื่องบินเครื่องบินตก MH17 นะตกไปถูกยิงตกเมื่อ2อที่ก่อนตายไปเกือบ300คนเราฟังข่าวก็ก็เฉยๆแต่พอเพียงได้ข่าวว่าเพื่อนของเราญาติของเราพ่อแม่ของเราเนี่ยป่วยแล้วก็หมอสันนิษฐานเป็นมะเร็งยังไม่ทันตายเลยเนี่ยโอเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเลย ทำไมคน300คนตายเราเฉยเฉยแต่ทำไมอีกคนนึงแค่ป่วยและไม่รู้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเราถึงนอนไม่หลับเพราะไอ้สามคนนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่อีกคนที่เป็นที่ป่วยนั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นญาติของเราเป็นพ่อแม่ของเราเป็นเพื่อนของเราแผ่นดินไว้ข้าวของเสียหายมากมายที่ประเทศโน้น ประเทศนี้นะเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเงินของเราหายนะเราทุกนะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกว่าเป็นของเราไอ้ความทุกข์เมื่อเกิดกับกายแล้วทาไมใจทุกนะเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาเมื่อยทาไมใจทุกข์ด้วยก็เพราะไปะยึดว่าร่างกายนี้เป็นเรา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 แต่คนที่รู้สึกว่าฉันถูกมีดบาดเนี่ยเจอธนูสองดอกนะอันนี้เป็นคำเปรียบเลยของพระพุทธเจ้านะที่เห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยเมื่อเจอทุกขเวทนาแล้วเนี่ยมันจะทุกขเวทนาทั้งกายและใจแต่ว่าผู้สดับหรือผู้ที่ผู้ที่มีปัญญาก็จะเจ็บแต่กายนะแต่ว่าใจไม่เจ็บด้วยสมมติกับว่าธนูดอกที่สองมันถูกยิงผิดเป้าพลาดเป้าไป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 ก็คือทําให้มากมีองแปลได้เกิดขึ้นทําให้มากขึ้นเรื่องแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งไปสุดที่สัมมาสติและสัมมาสมาธิถ้าทําถูกทำทําได้อย่างต่อเ น, นื่องก็จะเห็นความจริงตรงนี้แหละโดยพอในขั้นสุดท้ายที่เกิดจากวิปัสสนาและตรงนี้แหละการที่เข้าถึงความจริงตรงนี้อย่างแจ่มแจ้งก็ทำให้บรรลุธรรม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 นักปฏิบัติธรรมที่ไม่เข้าใจเรื่องอนัตตลักษณะก็ยังมีความช่วยเรื่องตัวกูของกูแต่ว่าก็พยายามทำให้ตัวกูนั้นเป็นตัวกูที่ดีหรือเป็นคนดีตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีความสำคัญไมว่าฉันเป็นคนดีเมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปสุคติแต่ว่ายังไม่พ้นจากวัฏสงสาร จนกว่าจะก้าวข้ามพ้นความเป็นคนดีไปซะไม่มีใครไม่มีไม่มีคนไม่มีคนแล้วก็ไม่มีใครตายอันนี้เรียกว่าตายก่อนตายที่จะจารย์พุทว่าต้องทำให้ตายก่อนตายก็คือทำให้ตัวตนมันตายก่อนที่จะหมดลมทูกว่าทำให้ตัวตนมันตายนี่เป็นเป็นการพูดในเชิงวูหาร น, นะเพราะจริงๆมันไม่มีตัวตน ต, ตั้งแต่แรกแล้ว ถ้าพูดถูกต้องพูดว่าทำให้ความยึดมั่นในตัวกูมันตายไปก็คือหมดความยึดมั่นในตัวกูพอเห็นความจริงว่าไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกอันนี้เรียกว่าตายก่อนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาหมดลมนะก็จะไม่มีความสำคัญแม้มา่มาว่าฉันตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนสภาพไปเท่านั้นเองไม่มีใครตายนะมีแต่การเปลี่ยนสภาพของขันท่า คนตายก็ไม่มีความตายก็ไม่มีมันเป็นความตายก็เป็นสมมติแบบหนึ่งที่ใช้อธิบายใช้เรียกคนเวลาหมดลมหรือสัตว์หมดลมว่าตายหรือใช้เรียกรถที่มันหยุดวิ่งว่าตายหรือนาฬิกาที่มันหยุดเดินว่าตายแต่นื่กเป็นคำสมมุตินะตายของรถยนต์ตายของนาฬิกามก็เลยคนระแบบกับตายของคนหรือของสัตว์